เราม่โอกาสพบกันตอนช้าตอนเย็นแต่รบธรรมทุกันฟังเรื่งของธรรมะก็คือ เ, เรื่องของชีวิตจิตใจของเราเนี่แหละชีวิตจิตใจของเราประกอบไปด้วยของสองอย่างใหญ่ใหญ่ากายกับใจเรื่อโลกกับนามเรื่องของโลกก็มีมากเรื่องของน้ำก็มีมาก เราไม่ดูไม่ศึกษามันจะผ่าหลงไปหลายอย่างจไมเกิดความโกรธความโลกความหลงความสุขความทุกข์ความรักความชังเราเรื่ก็เป็นคนของศาสนาเป็นเครื่องดับทุกข์ปลุพกพลนตายมันก็หลอกใจมันก็หลอก ข้ามบอกของกายเรามาผมได้พูดเป็นภาษาง่ายๆว่าไม่ต้องไปเลวกว่าเวทนาไม่ต้องไปเลวกว่าสุขว่าทุกข์เลือกมันว่าอาการเท่านั้นก็พอแล้ว การขบกายบางตัมันมีประโยชน์มันเป็นธรรมชาติมันเป็นสัญญาณภัยื่อมีภัยจะเกิดขึ้นกับกายตายมันก็บอกว่ ม, มันบอกแล้วก็เกี่ยวข้องกับสิ่งที่มันแสดงออกเขาถูกต้อง มันก็พอแล้วอย่าไปเป็นสองต่ออย่าไปเป็นถึงเรื่องของใจเป็นสุขเป็นทุกข์หรือบางทีกลายเป็นอะไรต่างๆเป็นปิเลตตันหาเป็นวัตถุที่หนึ่งที่สองที่สามไปในเรามาศึกษาเลนม้กัน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 วัตถุที่ทาให้เกิดกรรมคุณมีตามีหูมีจมูกมีลูกมีรถมีกินมีเสียงมีกายมีใจนั่นแหละมันจะต่อให้เราหลงแล้วเราก็อย่าหลงอย่าให้มันหลอกได้มนสติคอยดูแลมันอยู่นี่ของใจก็เช่นเดียวกันบาทีใจมันหลอกนะ ม, มีธรรมอย่างของใจเนี่ยเราจะตอบมนอันได้ก็มีธรรมที่เป็นกุศลมีธรรมที่เป็นอ ก, กุศลที่เกิดขึ้นกับกิตใจความโลภความโกรธความหลงเป็นอ ก, กุศลความหลุดสึกความระลืึกได้ความมีศีลมีสมาธิมีปัญญาเป็นกุศล บางทมันมีความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับใจก็อย่าเป็นหลงมีความรู้มีความไม่รู้มีความอืมตรงสั้นอะไรก็อย่าเป็นหลงครับสิ่งเหล่านี้มันก็ยังมีพอยังมีสมมตุติตั้งก่อก่อตัวขึ้นจากสมมตุติสมมุติเนี่ยมันเราของสองอย่างารวมกันเอารูปเอานามเอากายเอาใจมารวมกัน เห็นตาเห็นลูก <c oughs> ก็ก่อให้เกิดสมมุติบัญญัติหูได้ยินเสียงัก่อให้เกิดสมมุติบัญญตัติจมูกได้กลิ่นลินได้ลบกายสัมผัสจิตใจมันคิดขึ้ น, นามามันต่อไปให้เกิดสมมุติบัญญัติต่อตัวตรงนี้ก็มีสมมุติบัญญัติว่าชอบว่าไม่ชอบว่าสุขว่าทุกข์ เราก็ต้องลูกมันมันจะสลับซับซ้อนถึงไหนเราก็ลูกมันสมมตปัญญาต์นี่มีมากด้วยเป็นลูกก็มีเป็นน้มก็มีเป็นลูกที่จับต้องได้ก็มีเป็นน้มที่ผุดเกิดเรียกว่าโอปปาติกะเกิดผุดขึ้น ปุ๊บทันทีตายไปก็ตายไปพุ๊บทันเทีไม่มีซากศพสมมุติบัญญัติสมมติบัญญยัดนี่หลายอย่างอันดีสมมุติเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์สมมติเป็นเรื่องกลัวสมมุติเป็นเรื่องกล้าสมตาสมติเป็นเรื่องชอบไม่ชอบสารพัดอย่างไปเชื่อไปหลงสมมุติบัญญัติก็ให้เกิดความหลง มัเนเรื่องความหลงมืันเกิดขึ้นเลยลอยมันมีเหตุปัจจัยหลายอย่างหลาซับซ้อนแล้วก็สมบัติปัญญาต์เราก็ไม่พอหรือการสัมผัสมันมันเป็นอาการเป็นวัตถุวัตถุเป็นอาการในแต่กิจใจเนะี่ยมันก็เป็นวัตถุเมื่อมันคิดขึ้นมาเป็นวัตถุการสัมผัสแต่เพิงคิด วัตถุมันก็เกิดอาการอาการที่มันสัมผัสบางทีมันก็มีล็ดอยู่ในการสัมผัสความคิดเฉยๆก็มีเลด็ลดเล็ดในความคิดความโกรธก็มีล็ดความโลภความหลงความรักความชังความสุขความทุกข์มันก็มีลด็ดเราต้องต้องอย่าให้มันหลอกแต่ขี้หน้ามันเอาขี้เอาขี้เอ า, เอานี่คือสมมุติ นี่คืออาการนี่คือบัญญัตินี่คือวัตถุนี่คืออาการให้มันตรงๆอย่าให้มันเป็นบุ่นเป็นก้อนต้งมันไมมีผู้ดูผู้เห็นเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างถูกต้องมันก็ใหญ่โต โดยพระสมมุนปัญญาเนี่ยมันต่อจากการสัมผัสบางทีนนมัน ไ, ไม่ต่อมันไม่ได้ต่อจากการสัมผัสมันเกิดขึ้นมาเอ ง, เองมันดําดินมันดินบนมาก็มีเรื่องส ม, มุิปัญญาเราอยากไปรู้บางทีมันปฏิบัติไปปฏิบัติไปมันสุกรู้อนุ่นรู้อันอ น, นี้มันก็เป็นของกิงสิ่งที่เรารู้ มันก็มีความสุขไม่เคยพบเคยเห็นจิตใจมันดีมีวิญญาด้วย <c oughs> คิดอะไรทะลุตุกงทําไปบางบางอารมณ์ถึงก็ไม่อยากกลับไม่อยากนอนถึ้งก็ไม่อยากกินข้าวอยากจะอยู่คนเดียวในโลกในโลกนี่ถ้ามีคนเดียวจริงจริงจะมีสวาสุข ความสุขเขาวิเวกมันมีความสุขก็จะเป็หลงมันามสุขที่เกิดจากการวิเวกกายวิเวกจิตวิเวการมันเกิดจากอุปทิวิเวกมันไม่ปฏิเสธอะไรหรอกอุปทิวิเวกคือการสิ้นไปแห่งทุกข์ทั้งปวงอันนี้มันจะ ที่ตรงไหนก็ได้ที่รุ่งที่ตอนที่ป่าที่บ้านที่ไรก็ได้ไปลอยลวงพ่อเทียนเคยท่วงเนอะได้อารมณ์อลื้มถอนอารมณ์สมมติบัญญัติเข้าถึงปรังมตดสัจจะเห็นศิลเห็นสมาธิเห็นปัญญาเห็นกุศลเห็น อ, อกุศล ทุกท่วนมันลงตัวทุกอย่างหนึ่องของชีวิตนะมันก็มีความสุขเปิดความสุขเราบอกหงพ่อเชียนว่าโอ้ในชาตินี้ผมไม่มีทุกแล้วหลวงพ่ออวยบาดเน่ ในชาตินี้จะมีกี่นาทีกี่วินาทีกี่วันกี่เดือนนี่เราคทุกอย่างสุขหน้คงทุกอย่เห็นเราสุขทั้งหมดืองว่าะยไปเอาสุขอยากไปเอาสุขไม่เห็นมันไม่เห็นมันห่วงอะไรโอเคปศพปฏิบัติงานตั้งนานกว่าจะมา เขาถึงสุขภาพอย่างนี้ทําไมหลวงพ่อเทียนไม่ให้เอาความสุขคนเรื่องของคนปรารถนารักสุขก็เกลียดทุกข์พอเกิดผลเกิดความสุขึ้นมาหลวงพ่อเทียนมาบอกอย่าไปเอาอย่าไปเอาความสุขให้เห็นมันมันสุขก็เห็นมันดูดถ้าไปเอาความสุขก็หยุดเทียนแล้มันไปถึงไหนล่ะ นะเมื่อมีความสุงก็ต้องมีความทุกข์คู่กันทุนนกคนนี้จะกโลกได้หรือทีแล้วก็ตกใจเป็นมงมงมงงเหมือนไก่ตาแตกคิดเสียดายเสยดายความสุขเพราะว่าช่วงแต่ก่อนเนี่ยมันก็มีแต่ทุกข์พอมาลูกมาถอ น, นอะไรออกมันเกิดความสุขมันเบากายเรหตาจิตเราหุตา บบากายเบากิจฝีมือของเราทํามาเองจนยกย่างตัวเองจนยกมือไหวตัวเองโอ้โหเราก็ทํำไรแค่นี้มาก็อุ่ำคาแล้วหลวงปู่เทียนหลวงตุเทียนมาบอกเด็ไปเอาซุปดูมันสุกก็เห็นมันทุกข์ก็เห็นอะไรในโลกเนี่ย ที่มันเกิดขึ้นกับร่างกายจิตใจนี่ไม่ต้เห็นมันต่เพูตะเพะู่น่ะนั่นพอมมาจับไม่ได้อีกอโอ๊ยแบบ น, นี้่ว่าอะไรๆก็เห็นมันล่ะสรุปได้ทันทีแลวมันมันอยู่ตรงที่ดูนี่เองล่ะบัดเนี้ยแว่าที่ดูนี่แหละตัวพิษ แข่งทำบะไรถ้าว่าแข็งก็แข็งเหมือนเพชรถ้าว่าอ่อนก็อ่อนเหมือนไหมดูมันไม่คนก็มีอะไรหลอกได้ชีวิตอยู่ในกำมือเราแล้วเคยบอกคนหลายคนเขากําลังโทรธเขากลังทุกข์เขากํลากลงัาลงใส่ใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่ไปดูว่าเถอเขา ไปดูที่ที่เขามอบให้ที่รายองเขาพาก็เดินบูกป่าบุกลงไปพาป่าโคมไปอ่รุ่มโพเขาลุกงนี่มันเป็นยังไงเขีเต็มตรงไหนล้มบูกไปปันดูใครด้วยกับโกรธไม่รู้ว่าพับบุกอะไรไปเดินไปเลยรดูแลก็เท่านี้แหละทั้งบนทั้งเดินไปแล้วก็บูกไปเรื่อยเดินบูกป่าไปเรื่อย คนที่ไปด้วยก็บนบ่นไม่บนด้ยเชื่อกดแรงถึงความโกรธความไม่พอใจเขาก็ว่กว่าดูมันดูมันอย่าไปเชื่อมันไปที่นี้แหละไปสบายสบาอย่อั้งคิดทั้งเดินตั้งดลบปา่าไม่ได้หรอกไปเรื่อยๆนั่นและไป้าไมนั่นหละป่าฉันแลนนั่นแหละไปถึงนั่นหละพวกเรา่าไปเชื่อมันอาการมันเท่านั้นแหละ จะเกิดยากก็เป็นอาการมันจะเกิดอะไรก็เป็นอาการเท่านั้นนะนั mm. ่นคือยากไม่ใช่ง่ายหรอกการหมก ป, ป่าไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องยากเป็นจิตยอาการของการใช้ชีวิตบางฉากบางมงอืมลเขาก็หยุดบน่นเขาก็หยุดบน่นผมพําอมพุ่งพอมเดินไปพอพ้นไปแล้วเขาก็บอกว่าโอ้ หลวงพ่อทักท้วงได้ผลจริงๆริงดูแล้วมันก็เป็นอาการเฉยเฉยมันก็นลังจะทุกมันก็ลังจะโกรธตอหลวงพ่อทักท้วงน่โอ้มันร่วงเลยมันก็เคยโยนโลูกร่วงตุ๊บตรงมันเองตั้งแต่นั้นมาเขาก็ได้หลักเหมือนกันติดตามปฏิบัติ พิธีที่เราทำเนี่ยนันไม่หันหลังใส่อะไรทั้งหมดมันหันหน้าหานสายตาทั้งหมดเพราะว่าที่ดูเนี่ยไม่ปฏิเสธเรื่องไดเลยสิ่งไหนที่เกิดทุ้นกับกายกับใจลูกหมดลกูกปลุกปลุกท้่นลูกหมดถ้ามันเป็นสูตรมันก็เป็นสูตรอย่างที่พูดจุดประจำนี่แหละมันมีลูก ป, ปัตธรรมมันไม่นามธรรม ี่ลูกทำในน้ำทำเนี่ยเรลายกมือเนี่ยมันเป็นลูกทำมันเป็นน้มทำทำชอทอสระอําทำทอโลอทอทองราเรือโมมารอเรือสองตัวโมมาเดี๋ยวตรงนี้และ <c oughs> ลูกทำน้ำทำมันทำดีมันทำชั่วธรร ม, มาชาติรูกทุกน้ำทุกเราอยู่นี่แหละโูกโลกตามโลก หูบสมมุตินามสมมุติอืีอย่ยต้องทำก็กบญญรรยาวัตทุอาการประามมัดยังก็มีเท่านี้แหละทางมันไปเท่านี้แหละผ่านตรงนี้ทั้งหมดแต่ว่าสิ่งที่ค่้องไว้ไม่มากลูกมันทำดีทำดีทำอะไรเงี้สติ ลูกมันทำชั่วมันขาดสตินามันทำดีมันคิดดีสํารวมระวังนามันทำชั่วมันคิดชั่วบางทีลูกกับนามันรวมกันทำดีทำชั่วทำบางอย่างมันครอบนามวันละทำมันครอบนามฉินสมาธิปัญญามันเปิดเผย บางทีอาจทำมันครอบงำบางทีทำมันครอบงำผุดสนดอกผุดสนก็มันก็มีแต่รูปทำนามทำนั่นแหละอาจจะมองเช่นความง่งอหงนอนจะมันเกิดขึ้นกับกายกับใจในธนาที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจกับรู้อะไรมันครอบงำอาจทำหรือทำมันครอบงำ ถ้าทำมันครอบมันมันก็เป็นฝ่ายกุศลมันทํงงาให้โงู้หลงลมหายไปแต่ทําที่เป็นกุศลมีศีลมีสติมีศีลมีสมาธิมีปัญญามันก็ดีหน่อยแต่ว่าอย่าไปติดศ <c oughs> ีล น, นี่ก็ใช่ให้เพื่อเป็นทางหลุดพ้นมันก็จงมือทําให้อ่พ้นภัยได้ ศึกษาไปเนี่ยดูไปเห็นไปแล้วก็วิธีทาก็อย่าไปรีดตัวเองเกินเกินไปคอยดักดูมันไปไม่ต้องลุกลี่ลุกลนอะไรผ่านมาเห็นชัดๆมันเราศึกษาบางทีมันพลาดโอกาสนะเป็นความลงเน่ยพลาดหลายครั้งหลายคราว ถ้าเราไม่พลาดความหลงก็มีปัญญาตรงนั้นก็มีความหลงทั้งมาเกิดปัญญาก็มีอาการต่างๆที่เกิดพึ้กับกายเข้าใจเราก็พลาดใช่ไมไม่ได้ดูไม่ได้ใส่ใจไม่ได้ทําให้แจ้งความหลงก็ยังไม่ชัดเจนหลงจากกายหลงจากจิตบางทีมหลงจากความคิดเนะี่ยมันก็ไม่ชัด เห็นความหลงอย่ชัดเจนความหลงก็หลอกได้อีกถึงก็ลเราจับผู้ร้า ย, ยจานสงศิลจานหนุ่มจับขโมยมารักของได้ถ้าปลาป่อยเปยเฉยมันก็ลอยแพถ้าจับได้ล่ะจับไปเข้าคุก ออกจากคุกมานขาก็มารักอีกจับวันนี้เขาก็ม่เขาก็เลียกชาว บ, บ้านมาไปชมกันเอามาพูดกันเอาโลูกมันมาด้วยให้ลูกมันพูดด้วยมันมีความรู้สึกยังไงลูกก็บอกว่าไม่อยากให้ใคร เ, เรียกพ่ะมันว่าเป็นขโมยอยากมันก็อยากเห็นพ่อมันเป็นคนธรรมดากับชาว บ, บ้าน ถ้าใครเรียกพว่าเป็นขโมยขโมยมันก็ไม่พอใจ เ, เขาก็บอกขอเขาก็พูดว่าไม่อยากให้พ่อเป็นขโมยชาวบ้านก็พูดเปน็นเดียวกันรู้แล้วว่าเขาเป็นคนอย่างนี้แล้วว่าเอาสังคมมาล้วล้อมกันให้สังคมเป็นคนดีไม่ใช่ให้ตำรวจไม่ใช่ให้ทหารเป็นคนดีมีอำนาจเอาสังคมมามีอำนาจลองดู พอชนคนเนี่ยมาหล่อมาล้อนกันให้เขารู้ว่ามันเป็นขโมยจริงๆหลายครั้งหลายคราวแล้วอัลักขโมยเข็นวัดป่าสกโตเดือดร้อนเนี่ยทนี่ไม่รู้ว่าเป็นยังไงแตนตรงสิน <c oughs> ให้เรียบให้เรียบนะให้เรียบอยเล ย, ยนะถ้าเราถ้าเราฉลาดมันก็กลายเป็นประโยชน์ ไม่ใช่เราเด่นคนเดียวในตำรวจเรามีคนหมายมาวก็เขาเราอ่ะอ ะ, อะไรที hey. ่เรงด้วยช่วยกันที่แจสร้อยกรุงเทพเรามีนายแพทย์คนหนึ่งอยู่ที่คอนเก่นเพราเจอคนไข้ที่เป็นหัวใจเป็นโรคหัวใจแต่ว่าต้องซื้อ <c oughs> คือเราเป็นหมอเสื้อวใจเลยออตัวหกหมื่นนั่นแต่คนป่วยสองคนนี่เขาก็ให้มีเงินเขาก็รอวันตายเฉยๆนายแพทย์ก็รู้เลิดวิชาการตรวจพบแน่นอนแต่นายแพทย์คนนั้นเขาก็ไม่ยอมเช่เขาก็โทรไปบอกเอาเจาสาร้อยประกาศให้เดือนให้นอ้อย ถาเดี๋วนี้มีคนป่วยสองคนที่เป็นโรคหัวใจกาลงกังจะตายอยู่ต้องซู้งหัวใจเล่นหัวใจมาตั้งหกหมื่นสองวันก็แสนสองมีใครพอมีศรัทธาไหมพอช่วยคนช่วยชีวิตของคนสองคนได้ไหมเราสลายเขาก็ประกาศไปเจอสลอยประกาศก็มีคนบริจาค ก, กันเพียบเลยทีเดียวก็โทรมาให้หาหมอให้หมอผาตัดเลย เอาเล่นหัวใจไปใส่เลยให้คนร่วมกันช่วมร่วมด้วยช่วยกันเนยในสังคมไม่ใช่เลืเป็นวิชาการอย่างเดียวอันนี้โนอนี่เลยเห็นความบกพ่องลองลอ ง, ลองดูในตัวเราเนี่ยลองลองดูทำเห็นจริงๆริงสัทีหนึง่งความหลงความโกรธมนเนี่ยความทุกข์มนเนี่ย ามาเบดูามาดูให้มันชัดๆตวเสอย่าปฏิเสธมันเลยทีเดียวอามาดูคิน ด, ดูออนี่หรือกลมหลงนี่หรือความทุกข์นี่ดูความงวนอนมันมนะลองดูดีๆตัวองลองดูดีๆทำใจสบายสบาย เม่บางทีมันพูดกับมดก็ได้นะเอางีงเขาจะให้แม่อยู่นี่ใหม่ๆ ม, มีคนจะถวายที่ให้เขาชะมเมาแลาไปดูไปดูที่ที่เขาจะให้เขามีศาลาหลังเล็กๆแล้วก็ไปนอนอยู่ตรงนั้นพอนอนลงเนี่ยโอ้ยมดมันมากัด เราไปใช้โดรดลมกัดแจ้งกันกัดหลมหลๆมหล ม, ลมก็ดูมันจริงๆริงอ้ยอมดเด้ยเจ้าก็เปุ่ยน้อยเนาะถ้าล ง, งพ่อจะขายเจ้าเพียงเอาเมื่อลูไปเรื่องมันตายเป็นล้อยเป็นท่านแต่แลวงพ่อขายเจ้าจะมาเปลีป่ยนกันพูดกับมดลองโดยมันอย่าให้มันถี่กันไปให้มันห่างขง่างดูดี บางทีมดกัดก็โทุกข์กโกรธให้หมดตายเป็นบาปอะไรนี่เราก็พูดกับมดลงดูมดเจ้ามดได้ยเจ้าก็ตัวเล็กๆเนะี่ยถ้าเราจะฆ่าเจ้าเนะี่ยมันลูกใบแป๊บเดียวตายเป็นร้อยๆกองกันเลยเนะี่ยแต่เราไม่ฆ่ามากัดกันทำไมว่าอย่างนี้ดูสิมันจะมีทำตทงนั้นก็ได้ จะมีเมตตาเกิดขึ้นตรงนั้นก็ได้จะมีปัญญาตรงนั้นก็ได้แล้วก็นอนต่อไปมันก็ติเราก็ใส่ใจได้ดีปรดีงบวมหายไปเลยนะถ้าเรามีเมตตาจริงอะไรก็เอาความหลงออกหน้าออกตาเอาอารมณ์ออกหน้าออกตาไม่ใช่สติปัญญาใช่ความนุ่มนวลของควมคิดอ่านอย่าไปคิดแบบหักตลกหักทางกระทบกระเทือน งานี่ไปโกรธให้มดด้วยก็มีแล้วมันมีประโยชน์อะไรที่จะไปโกรธใหม้มดไม่รู้เรื่องอะไรอืมม อ, อกมว่าปอะตามมดกับสยๆกับโกรธแล้วก็ทุ บ, ทบทท ด, ด้วยต้องฉลาดสักหน่อยดูดยเนี่ยการปฏิบัติทำอย่าลุกลกลุกลนอย่าไปกล่าเอาอย่าปเป็นเนอืมทำใ ชัเนจนกับเรื่องใดไๆบางทีทาไปทําไปยกมือไปยกมือไปมันหลงมันยกมือไปยกมือไปมันลูกอ่าตัวดูไม่อยู่มันหลงก็ดูมันอยู่นี่แหละมันลุกก็อยู่ดูมันอยู่นี่แหละเราจะดูมันอยู่นี่ทําอย่างนี้ปฏิบัติทำมันจะเห็นอะไรชัดเจนดี เราก็ได้ปทเรียนที่แม่นยำดีกว่าที่จะไปลุกลี้ลุกลนการปฏิบัติธรรมนะโดยพอการเจริญสติโดยเะพาะแบบการเคลื่อนไหวนี่มันเปิดเผยเมง่ยมองไปข้างเดียวมันมีตารอบมันมีหน้ารอบ ท, ทันทีอะไรจะมาเมี่เรานั่งอยู่นี่เราพูดอยู่นี่ทังที เสียงน้ข้างก้องๆมองดีก็มันดนตีมองไม่ดีๆก็มันก็บอกโอ้ลําคาเสียงอะไรซ่ซ่าลังาเมื่อกี้เนี่ยโอ้เสียงอะไรไม่เป็นไรแต่ไปไปไประโยชน์ผ่าาญาณนะเคยประโย์วัดผ่ามหาญาณอาดีสวมันเคาะเคาะด้วยก็ก็กได้วยนะแล้วก็ว่าเ ข, า, า, ขาได้อยู่สวรรค์บางทีไปสวดศุกนี่ ปันเต๋อเขาไปสวดอ่ะเวลาเราสวดเขายังไปเคาะขอให้แม่เด็กาดนะกาบรองเน่ะกาบอง้าขอจะตีตะขงังเราบข้างสองก็ตีเฮิกาบข้างดีสามก็ตีเฮ้ยเคยเห็นนะตีอ้าวมันก็เป็นดนตรีเสียงเนี่ย เ, เป็นดนตรีแตไปรำคาญอะไรง่ายๆกันแต่ ไปสวดศพที่วสตันน่ะไม่ใช่ศพหรอกคนป่วยคนเลวใกล้จะตายเลยหายใจง่ายๆอยูการสวของเขาก็มสวดเลยอมิโตโภอมิโตโ้โภว่าเป็นทรานองนะเอาว่ า, าคนป่วยได้ยินเสียงอมิตะพุทธอมิโตโ้โภอมิโตโ้โภมิโตโ้โภว่าคนป่วยจิตของเขาฟังอมิโตโ้โภเขาจะตายไปอยู่กับพระมิตพุทธ เราไปยนข้างเตียงสวดพอเขาสวดด อ, อกแล้วเราก็เข้าไปสวดเราก็เข้าไปสวดสวดเตสังฆานิจาสังขารเกื้อร่างกายจิตใจคุณเล็กกีไไ่น่ะใครกันแม่เราแค่ไปสวดที่นั่นนะสังขารเกื้อร่างกายจิตใจและโลกทำนามทำทั้งหมดทั้งเช่นมันไม่เที่ยงเกิดเพ้นแล้วดับไปเมื่แล้วหายไป เขายังมตีก่อใชอยู่นะเราไปสวจกันแล้วมันตีก็ก็ใส่ให้เราอยู่อ่า น, นี่เสียงง่าข้างตกเนี่ยก็ถ้าจะเปรียบบนขอบก็ได้อะไรก็ว่าไปรำคาญทั้งหมด ด, ดูดีมันจะมีปัญญาไม่รุ้งไม่ยากอะไรถ้ามีสตินะมันง่ายจริงๆมันเสะบวกอืมไม่ปฏิเสธเรื่องใดไม่ต้องไปหลับหูหลับตา ไอ้ไั้นั่งจนตัวแข็งพี่เอาเราจะนั่งในแปดชั่วโมงไม่ตั้งดอกสลับฉากไปเรื่อยๆฉากไหนมันไม่ชัดเจนเปลี่ยนไปเลยนั่งอยู่มันมงวงงซึมๆจนลุกขึ้นเดินไปเทคนิคหลายอย่างหามาจะไปจนหาทางพบทางให้ได้แยะทางออกโดยเฉพาะการเจริญสติปัฏฐาน ย็นเดินนั่งนอนยื้คู่เหยเียดเพืนไหวพาลงไปหาย ใ, ใจแ ร, รงแ ร, รงลงดูหุดพักหายใจแรงแรงเนี่ยสลับฉากเหมือนมักมวยก็ออต่อยวันเขาเล่นกนล่าหายฉากไหนไอบอลทับหน้าทับหลังจะบิ่งจะไงจะดับตรงไหนน้องถือไม่มีสูตรสำเร็จเขาตับปรุงเขา คอเขาไปเลยเขาก็เป็นนักกิฬาคนต่อยมวยเนี่ยวิชาม อ, องเขาอาจะไม่สอนทั้งหมดต่ยเขาเทคนิคของเข า, เขเขาสลับฉากเป็นในการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันมันวิเศษจริงๆการสร้างจังหวะเนี่ยหลายฉากนะตอนนั้ น, นพวกเราถูกทางลแลยละแต่ไปคิดอะไร แเอาค่าโอบนเจ้ามีเพ่วน น, นิดมากมายอันนี้พ่อก็จะได้ไปท้ามาไปอีกแล้วกติมันล่วะอายาอาญาแฟกมึงอล้พฟาน้าผลซ่ซูคลล่วะแล้วผมค่อไม่อยู่ผลตรงมาของเตียบหมดเราจะไปทากติสักวันสองวันนะครับ